3. ม, มหาวัจโคตสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อวัจโคตสูตรใหญ่เรื่องกุศลธรรมและอกุศลธรรมข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นแลปริภาชกชื่อวัจโคต เขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์เคยสนทนากับท่านพระโคโดมเป็นเวลานานมาแล้วขอประธานวโรกาสขอท่านพระโคโดมโปรดแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ข้าพระองค์โดยย่อเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชะเราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อก็ได้เราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ท่านโดยพิสดารก็ได้แต่เราจะแสดงธรรมทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลแก่ท่านโดยย่อท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าววัชจโคตปริภาชกทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าวัชชะโลภะเป็นอกุศลอโลภะเป็นกุศลโทสะเป็นอกุศลอโทสะเป็นกุศลโมหะเป็นอกุศลอโมหะเป็นกุศลรวมความว่าธรรมที่เป็นอกุศลมีสามประการธรรมที่เป็นกุศลมีสามประการปานาติบาตการฆ่าสัตว์เป็นอกุศล ปานาติปาตาเวรมณีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นกุศลอธินนาทานการลักทรัพย์เป็นอกุศลอธินนาทานาเวรมณีการงดเว้นจากการลักทรัพย์เป็นกุศลกาเมสุมิชฌาจาราการประพฤติผิดในกรรมเป็นอกุศลกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมเป็นกุศล มุสาวาตการพูดเท็จเป็นอกุศลมุสาวาทาเวรมณีการงดเว้นจากการพูดเท็จเป็นกุศลปิสุณาวาจาการพูดส่อเสียดเป็นอกุศลปิสุณายวาจาเยเวรมณีการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเป็นกุศลภรุสวาจาการพูดคำหยาบเป็นอกุศล รุสายะวาจยะเวรมณีการงดเว้นจากการพูดคำหยาบเป็นกุศลสัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อเป็นอกุศลสัมผัสปลาปะเวรมณีการงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นกุศลอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู <ex criterion. S 2> ้อื <ex> right ่นเป็นอกุศลอนาภิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นเป็นกุศล พยาบาทความคิดร้ายเป็นอกุศลหาพยาบาทความไม่คิดร้ายเป็นกุศลมิชาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นกุศลรวมความว่าทำที่เป็นอกุศลมีสิบประการทำที่เป็นกุศลมีสิบประการวัชชะเพราะภิกสุละาตุหาได้แล้วตัดรากถอนโคน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 เธอบริษัทผู้ทําให้แจ้งวิมุตต์วัชโคตรปริภาโชคทูลถามว่ายกเว้นท่านพระโคโดมภิกษุแม่รูปหนึ่งผู้เป็นสาวของท่านพระโคโดมผู้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชฉะ ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมิใช่มีเพียงร้อยรูปสองร้อยรูปสามร้อยรูปสี่ร้อยรูปห้าร้อยรูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุ ภิกษุณีแม่รูปหนึ่งผู้เป็นสาวิคาของท่านพระโคโดมผู้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หรือภิกษุณีทั้งหลายผู้เป็นสาวิคาของเราผู้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน มิใช่มีเพียงร้อยรูป200รูป300รูป400รอรูป500ร้อรูปความจริงแล้วมีอยู่จํานวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายอุบาศกแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวกของท่านพระโคโดมผู้เป็นครือขัดนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีเป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมพาขิยสังโยดห้าประการสิ้นไปจะปรินิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมีอยู่หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็นครหัสนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนโภมจารีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพาขิยสังโยชห้าประการสิ้นไปจะปรินิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีก มิใช่มีเพียงร้อยคน200คนสา0อยค น, ส, ยคนสี่ร้อยคน5้า้อคนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นคราะห์นุ่งขาวห่วมขาวเป็นเพื่อนพรหมจรีอุบาสกแม้คนหนึ่งผู้เป็นครหัห์นุ่งขาวห่วมขาว บริโภคกามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความเกล้วก้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระาศาสดามีอยู่หรืออุบาสกทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้เป็นครหัสนุ่งขาวห่มขาวบริโภคการทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆ มีความกล้าหาไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามิใช่มีเพียงร้อยคน200คนสา0อยคนสี่้อยคน5้ารอยคนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวยกเว้นท่านพระโคโดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นครหัสนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจรี ยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นเคราะห์นุ่งขาวห่วมขาวบริโภคกามอุบาสิกาแม่คนหนึ่งผู้เป็นสาวิษาของท่านพระโคดมผู้เป็นเคราะห์นุ่งขาวห่วมขาวเป็นเพื่อนพรหมจารยณีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคียะสองโยตห้าประการสิ้นไปจะปรินิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั่นอีกมีอยู่หรือ กุบาศิกาทั้งหลายผู้เป็นสายวิกาของเราผู้เป็นครหัสนุ่งขาวห่วมขาวเป็นเพื่อนพรมจาริณีเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพากิยสังโยชห้าประการสิ้นไปจะปรินิพานในภพนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกมิใช่มีเพียงร้อยคน200คน300้คน400ร้อยคน5้ารคนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียว ยกเว้นท่านพระโคดมยกเว้นภิกษุทั้งหลายยกเว้นภิกษุณีทั้งหลายยกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นครหะห์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพระมจารียกเว้นอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นครหะห์นุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามยกเว้นผู้อุบาสิกาผู้เป็นครหะห์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพระมจาริณีอุบาสิกาแม้คนหนึ่งผู้เป็นสาวิษา์ของท่านพระโคดม ผู้เป็นครหันนุ่งขาวห่วมขาวบริโภคการามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความก ล, วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระาศาสดาของตนมีอยู่หรือวัชช <'s> อุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นสาวิกาของเราผู้เป็นครหันนุ่งขาวห่วมขาวบริโภคกาม ทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทหมดความสงสัยไม่มีคำถามใดๆมีความแกล้ า, ลาไม่ต้องเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดามิใช่มีเพียงร้อยคน200คน300คน400คน500คนความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียว บำเพ็ญทำให้ บ, บ, and, บริบูรณ์วจโจโคตรปริพาชกทูลถามต่อไปว่าข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าท <DF. S 1> ่านพระโคดมเท่านั้นได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์แต่พวกภิกษุจะไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจรรย์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุก็บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้น พรหมจรร์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกภิกษุณีไม่ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจันทร์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์และพวกภิกษุก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ทั้งพวกภิกษุณีก็บำเพ็ญให้บริบูรณ์ ด้วยเหตุนั้นพระมรรจา น, นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคโดมได้ทรงบำเพ็ญรมนี้ให้บริบูรณ์พวกพิสุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และทั้งพวกพิสุนีก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์แต่พวกอุบาสกผู้เป็นเครัะห์สนุ่งขาวห่วมขาวเป็นเพื่อนพรมจารีไม่บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพระมรรจ น, นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้ แต่เพราะท่านพระโคดมได้บำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกผู้เป็นเคราะห์นุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจาร์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ พวกภิกษุณีได้บําเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสกผู้เป็นครหัดนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจารีได้บําเพ็ญให้บริบูรณ์แต่ผู้อุบาสกผู้เป็นครหัดนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามไม่ได้บําเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจร์นี้อาจจะไม่บริบูรณ์เช่นนี้แต่เพราะท่านพระโคดมได้ทรงบําเพ็ญรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บําเพ็ญให้บริบูรณ์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 และผู้อุบาสิกาผู้เป็นครหัตนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรหมจาริณีก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรหมจร์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ถ้าท่านพระโคโดมได้ทรงบำเพ็ญธรรมนี้ให้บริบูรณ์พวกภิกษุได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์พวกภิกษุณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ผู้อุบาสกผู้เป็นครหัตนุ่งขาวห่มขาว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 ผู้อุบาสิกาผู้เป็นครหัสนุ่งขาวห่มขาวเป็นเพื่อนพรมจารณีได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์และพวกอุบาสิกาผู้เป็นครหัสนุ่งขาวห่มขาวบริโภคกามก็ได้บำเพ็ญให้บริบูรณ์ด้วยเหตุนั้นพรมจร์นี้จึงบริบูรณ์ได้เช่นนี้ ข้าจะโคดปริภาชกขอบรรพชาข้าแต่ท่านพระโคโดมแม่น้ําคงคามีแต่จะไหลหลังล้นไปสู่มหาสมุทรรวมกันอยู่ในมหาสมุทรแม้ฉันใดบริษัทของท่านพระโคโดมซึ่งมีทั้งครหัส่าและบรรปะชิตก็ฉันนั้นเหมือนกันมีแต่มุ่งไปก้าวไปและดําเนินไปสู่นิพพานบรรลุนิพพานอยู่ข้าแต่ท่านพระโคโดม พระภาสิตธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดม พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคโดมเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าว่าผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริว่าสี่เดือนหลังจากสี่เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายเต็มใจ จึงจะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุได้อันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้เคยเป็นอัญญะเดรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาทสเดือนหลังจากสเดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ ข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4ี่ปีหลังจากสี่ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายพอใจก็จงให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุเถิดวัชโคตรปริภาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว สมถวิปัสนาท่านพระวชโคตอุปสมบทแล้วไม่นานคืออุปสมบทได้เกึ่งเดือนก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรเลือกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผลนสามเบื้องต่ํามีประมาณเท่าใดซึ่งบุคคลจะพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะและด้วยวิชาของพระเสขะ ผลนั้นทั้งหมดฆ่าพระองค์บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข่าพระองค์เธอรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะถ้าเช่นนั้นเธอจงเจริญธรรมสองประการคือหนึ่งสมถะสองวิปัสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดธรรมสองประการคือหนึ่งสมถะสองวิปัสนานี้ซึ่งเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว อยากเป็นไปเพื่อรู้แจ้งธรรมาธาตุหลายประการอภิญญาหวัชชะทีออาจจะหวังว่าเราควรบรรลุอิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้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 อันมีริดมากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรโมโลกก็ได้เมื่อมีเหตุอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้สามารถในอิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างนั้นได้แน่เธออาจจะหวังว่าเราควรได้ยินเสียงสองชนิดคือหนึ่งเสียงทิพสองเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เมื่อมีเหตุอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้สามารถในที่โระสตคทาตัได้แน่เธออาจจะหวังว่าเราพึงกำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็ร yeah, so, so, exactly? ู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตม si okay ีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหากตะจิตถึงความเป็นใหญ่ก็รู้ว่าจิตเป็นมหากตะหรือจิตไม่เป็นมหากตะก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหากตะต จิตมี i, จิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเมื่อมีเหตุอยู่ เธอก็จะบรรลุความเป็นผู้สามารถในเจโตปริยานนั้นได้แน่เธออาจจะหวังว่าเราควรระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้างสองชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้างร0อยชาติบ้างพันชาติบ้าง แสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกรบและวิวัตกรบเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันะ มีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อมีเหตุอยู่เธอจกบรรลุความเป็นผู้สามารถในปุเพนิวาสานุสติยานนั้นได้แน่เธออาจจะหวังว่าเราควรเห็นหมู่สัตว์ผู้กาลังจติกาลังเกิด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 รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหลเมื่อมีเหตุอยู่เธอจะบรรลุความเป็นผู้สามารถในจุตูปปาตญาณ น, นั้นได้แน่วัชชะเธออาจจะหวังว่าเราควรทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุอยู่ เธอจะบรรลุความเป็นผู้สามารถในอาสวัคยยานนั้นได้แน่ครั้งนั้นท่านพระวัจโฉดชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนัก ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระวชโโคตได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย สมัยนั้นภิกษุจํานวนมากพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวจชโคดได้เห็นภิกษุเหล่านั้นกนลังเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นจนถึงที่อยู่แล้วถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านกำลังจะไปไหนกันภิกษุเหล่านั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุพวกเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านพระวจชโคตกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและจงกราบทูลอย่างนี้ตามคําของกระผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อวจโคตขอถวายอภิวาตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและขอกราบทูลอย่างนี้ว่า ข้าพระองค์ได้ปรนิบัติพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์ได้ปรนิบัติพระสุคตแล้วภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระวจโจธขอถวายอภิวาตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าว และขอให้กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าพระองค์ได้ปรนิบัติพระผู้มีพระภาคแล้วข้าพระองค์ได้ปรนิบัติพระสุคตแล้วพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรากําหนดรู้จิตของภิกษุชื่อวัจโคตด้วยจิตของเราก่อนแล้วว่าภิกษุชื่อวัจโคตเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก แม้เทวดาทั้งหลายก็บอกเนื้อความนี้แก่เราแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อวัจโคตเป็นผู้มีวิชาสามมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพระผู้มีพระภาคได้ตรัพภาสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาวัาจโคตสูตรที่สาจบ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 พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเนคกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมความจริงข้าพระองค์มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เราพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคีเเวชนะแม้ทิฏฐิของท่านที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้น ก็ไม่น่าเป็นที่พอใจแกท่านด้วยท่านพระโคดมข้าพระองค์ก็ยังพอใจทิฐินั้นว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นอคิเวสณะคนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คำกล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นละทิฐินั้นไม่ได้ และยัง <cabeça> ยึดถือทิฏฐิอื่นอยู่คนเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าคนที่ละได้คนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าแม้คากล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นแม้คากล่าวนั้นก็จะพึงเป็นเช่นนั้นในโลกนี้คนเหล่านั้นละทิฏฐินั้นได้และไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นคนเหล่านั้นมีจำนว น, นน้อยกว่าคนที่ละไม่ได้ เป็นเหตุใ hmm. ห like <th> <representations hta> ้เกิดวิวาทมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรามีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรามีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เรา บางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรานั้นอยู่ใกล้ความกำหนัดใกล้กิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ใกล้กิเลสเป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้กิเลสเป็นเหตุเกาะติดใกล้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นอค c เวชนะบรรดาทิฏฐิเหล่านั้น ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นอยู่ใกล้ความไม่คำนัดใกล้ธรรมเป็นเครื่องเปลืองสัตว์ใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกาะติดใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุยึดมั่นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วที่คขณขะปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ท่านพระโคดมยกย่องทิฏฐิของข้าพระองค์หรือท่านพระโคดมยกย่องทิฏฐิของข้าพระองค์หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอคิเวชนะบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นทิฏฐิของสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เรานั้นส่วนที่เห็นว่าเป็นที่พอใจอยู่ใกล้ความกาหนัด ใกล้กิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ใกล้กิเลสเป็นเหตุเพลิเพลินใกล้กิเลสเป็นเหตุเกาะติดใกล้กิเลสเป็นเหตุยึดมั่นส่วนที่เห็นว่าไม่เป็นที่พอใจอยู่ใกล้ความไม่กำนัดใกล้ธรรมเป็นเครื่องเปลืองสัตว์ใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุเกาะติดใกล้ธรรมที่ไม่เป็นเหตุยึดมั่นบรรดาทิฏฐิเหล่านั้น ทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เรานั้นวินยูชนย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าถ้าเราจะยึดมั่นเถือมั่นทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงเป็นที่พอใจแก่เราแล้วยืนยันอย่างแข็งขันว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราก็จะพึงเถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือ 1>, 1. สมณะหรือพรามผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่พอใจแก่เรา 2. สมณะหรือพรามผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบางสิ่งเป็นที่พอใจแก่เราบางสิ่งไม่เป็นที่พอใจแก่เราเมื่อเราถือผิดจากสมณะพรามสองพวกนี้ก็จะมีการทุ่มเถียงกัน เมื่อมีการทุ่มเถียงกันก็จะมีการทำลายกันเมื่อมีการทำลายกันก็จะมีการเบียดเบียนกันวินยูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิดกันการทุ่มเถียงกันการทำลายกันและการเบียดเบียนกันในตนจึงละทิฏฐินั้นและไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นการละการสลัดทิ้งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีได้ด้วยประการอย่างนี้อคิเวชนะ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 มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกลุ่มมากมีความไม่เที่ยงมีการไล้ทาบีบนวดแตกสลายและกระจายไปเป็นธรรมดาท่านควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุดโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุดผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลาย เป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุดโรคเป็นดุดหัวฝีเป็นดุดลูกศรนเป็นสิ่งคับแค้นเป็นสิ่งเบียดเบียนเป็นดุดผู้อื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาท่านย่อมละความพอใจในกายความเยื่อใยในกายและ ความยอมตามกายได้